ชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวัยแล้วไปฟังคริสดีวันนี้เป็นเคสที่944ครับผมเป็นพระธรรมธายาตรในโครงการดบรมพระธรรมธายาตร์ภารมศารุ่น19 การบวชครั้งนี้ก็ผมได้ร่วมกับหมู่คณะจำนวน120รูปรับงานบนให ญ, ญ่ใหญ่อยู่หลายงานอาทิการจัดการต้อนรับคณะอปปทงานรับบนติดตั้งของพระแสนเปื้มบนแคดดิ้งที่จะนำไปบริจาบเป็หลังคาคามภาวนา60สปีงานบนสามพันวัดงานบนฟันเชือกสายศีล และงานบนที่ใหญ่สุดคืองานอัญเชิญหลวงปู่เข้าสู่มหาวิหารหลวงปู่สาสหรับสิ่งที่กับผมปลื้มจใจมากสุดก็คือการได้เข้าร่วมขบวนอัญเชิญหลวงปู่เวียนประทักศีนรอบมหาธรรมกายเจดีย์และก็เป็นพระแถวหน้าที่ได้เดินนํำขบวนสาธิตจนเวียนประทักศีนแม้ขณะนี้เมื่อ น, นึกถึงภาพนั้นขลั้งใดก็ทําให้กับผมรู้สึกขนลุกและปลื้มใจมาก กระผมขอาจะขอความเมตตาและบารมีของพระเดชคุณสงครูไม่ใหญ่ช่วยฝันในฝันสำหรับกรณีศึกษาของกระผมด้วยครับคุณพ่อเป็นลูกคนจีนมีน้ำใจสุภาพรักครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เป็นที่รักของทั้งญาติมิตรและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการงานก็จะเร่งก้าวหน้ารวดเร็วได้เป็นตผู้จัดการเขตของธนาคารแห่งหนึ่ง ไม่จะได้ตำแหน่งสูงแต่หน้าแปลกทิ่งเงินเดือนกลับไม่เด็มมากมาเทียบกับคนในตำแหน่งเดียวกันอย่างนี้มันน่าจะลาออกลามาทำบุญกระถินซุ่แม่กับเป็นลูกคนจีนเช่นกันมีพี่น้องสีิบคนคือแม่เป็นคนละเอียดมีระเบียบพิธีพิถัน คุณพ่อคุณแม่สำเร็จการศึกษาจาหกเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มหาลัยเกษตรศาสตร์อุ้ยวนนี่กเกษตรทั้งนั้นเลยอายุยี่สิบสามรุ่นเดียวครูไม่ใหญ่ท่านพบเลิฟกันตอนเรียนอยู่นี่แหละเรียนไปเลิฟไปเขาเรียกว่าเกษตรสามัคคีนึกถึงความหลังนี่กรลังยังเรียนอยู่ทั้งคู่ก็เป็น เพื่อนเลิฟของครูไม่ใหญ่นี่นี่คุณพ่อกับแม่ก็เจ้าของเคสนี่แหละลหลังจากนั้นทั้งสองก็แต่งงานกันเราจะเลิฟอยู่ว่ า, วางๆเลยทำไมลเลิฟแล้วถึงดีสุดต้องแต่งงานกันคุณพ่อเดียวสมบูอยู่ในพระพุทธศาสนายูนหนึ 1, ่งพรษาแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตครวะดังเดิมคุณพ่อและคุณแม่มีบุตรสองคนคือกระผมและน้องชาย ในปาลุนสองขวัดปากน้ำปาสีเจรินีไม่ถูกหลักวิชาทำบุญทุกวันอาทิตย์และตักบาตรทุกวันตอนนั้นผมซึ่งอายุประมาณเจดปปีจึงได้มีโอกาสไปฝึกนั่งสมาธิจากคณาจารย์แม่ชีที่วัดปากน้ำอยู่หลายปีครั้งหนึ่งได้นั่งสมาธิแล้วบอกว่าคุณพ่อมีจุดดำดำที่ปอดตอนนั้นเจ็รวบนะจ๊ะ เมฆเสด็จและกัพระพุคุณพ่อติดเชื้อที่ปอดจริงๆแล้วก็รักษาได้ทันท่วงทีต่อมาคุณพ่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกแต่รักษาโดยการฉายแสงถึงทางคุณพ่อได้รับความทรมานอย่างมากถึงขั้นขากรรไกรอ้าไม่ขึ้นแต่กระนั้นคุณพ่อก็ไม่เคยร้องโอดครวญแม้แต่น้อยมีความอดทนมากคุณพ่อจะนั่งสมาธิเพื่อระงับความเจ็บปวด แต่ดูก็จะไม่ได้ผลนักเจ้าเวลาสุดท้ายก่อนที่จะลาโลกสามสี่วันคุณพ่อไม่รู้สึกตัวเนื่องจากต้องให้หมอฟีนเพื่อบรรเทาอาการปวดจากมะเร็งแต่ก็ยังดูปวดมากนาสาวันที่หกีด้พาผมไปนั่งสมาธิแบบตั้งเครื่องวุฒิเจ้าเป็นยังไงก็ไม่ทราบและคุณพ่อฟื้นขึ้นมาคุยกคุณแม่ด้พักหนึ่ง จากนั้นก็นหลับอีกสองวันก่อนจะจากไปคุณพ่อถึงแ ก, ก่กลรมอายุได้เพียงสามสิบเก้าปี mm hmm. ขณะ น, นั้นผมและน้องชายอายุได้เพียงสิบปีและก็เจ็ดขวบอ mm hmm. ายุ3ามสิบเ้าคนั่นเองห mm hmm. ลังจากนั้นคุณแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกสองคนตามลาพังมีลูกเอาไว้เลี้ยง mm hmm. ในช่วงหลังจากคุณพ่อเสียนี่เองคุณแม่และลูกๆก ก็มิดได้ข้าวัดปักน้ําทุกทิศย์อย่างเช่นเดิมแต่ก็ยังทําบุญตักบาตรอย่างสม่ำเสมอและขวัดตามน้ำกันทางศาสนาอยู่นึงๆคุณแม่จะพาไปกราบไหว้อธิของุนพ่อในวันครบรอบวันเสียชีวิตทุกปีท่านยังสอนให้อธิสุนทรสนิทคุณพ่อทุกครั้งที่ทําบุญและพาไปเข้าวัดทำบุญที่มลูลนิธิวัดปักน้ำเป็นประจําอย่างนี้ใช้ได้ พ่อมาอยู่แม่ก็ทำบุญต่อไปรักชวนลูกเข้าวัดในปี40คือแม่ตรวจพบเนื้อ ง, งอกติดตายข้างหนึ่งได้ข้างหนึ่งก็มีลักษณะเล็กลงฟอและนาสาวคนเดิมที่เคยพาผมไปนั่งสมาธิที่วัดปักน้ำได้แนะนำผู้เผยแผ่ของศาสนาอื่นที่อ้างว่าช่วยรักษาคุณแม่ได้คล <Okay. S 1> ้อยคล้องไส้ไม้กลางแขง น้ำหอมหน้าตาและกลิ่นเหมือนยามองเลยครับแต่ทไปเขาโบสเขาไิชีกับาศาสนาของเขาแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนาศาสนานะครับเจน้นกับผมและครอบครัวห่างพุทศาสนาไปเลยไม่ได้ไหว้ละทั้งยังถูกข้ามนั่งสมาธิด้วยไปทำบุญ ต, ต่างบาทตามการบ้างแต่ไม่บ่อยเท่าเดิมตำบญที่มู ล, ลนิธิวัดปักน้ำปีละครั้ง เหมือนอยู่นอกบรญเเขตไปเลยครับนึแล้วก็แปลกใจว่าที่ผ่านมาทําไมผมไม่ถูกคิดว่ า, าเรากําลังถูกดึงให้ออกนอกบุญญเขตทําไมตอนนั้นผมคิดไม่ออกเลยจริงๆสุดท้ายการรักษาก็ไม่ได้ผลจึงเลิกติดต่อไปเฮตินัสสาเป็นาาปนับถือต่างศาสนาเพราะว่านักสาและครอบครัวโปรยกันทั้งบ้านรักษากระแผาปัจจุบันไม่ดีขึ้น จึงหาหมอ ต, ต่างๆหลายหมอจนมาพบผู้เผยแผ่ต่างาศาสนาผู้นี้เขาได้นายเปลี่ยนาศาสนาและให้น้ำหอมมาทามเหมือนกันแล้วก็ให้ดื่มเบียร์ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นยานี่ของขวัญจากผู้เป็นเจ้านาศกสารแล้วก็คุวกันเลยดื่มเบียร์กันแทบถุกมือจนกระผมคิดว่าพวกเขาติดเบียร์กันแล้วละครับดื่มเบียร์เป็นยาเลย ดื่มเบียร์ยจะพาไปอบาบัยนี่จะไปอาบา ย, ยอย่างน้อยก็ยมมาโลกจึงนี้จนกลางปีสีจัดปัญหาเนื่งองอกที่ไตของแม่รุนแรงมากขึ้นแม่ได้ก็รักษาตัวในโรงพยาบาลแบบเดือนเว้นเดือนจนกระทั่งเดือนตุลาคมคุณแม่ตัอ้งอยู่โรงพยาบาลตลอด เพาะการกิเริร์บ ม, มากทานอาหารไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้สติเนื่องจากของเสียในร่างกายคั่งคุณแม่ต้องพาตะเจาะคอเพื่อดูดเสมหะและต่อสายยางไปอาหารเหลวไปล้างแตท่ทีละสามวันในช่วงเวลานั้นเองผมและน้องชายได้ญาติผู้พี่ฝ่ายคุณแม่เตือนสติให้กลับเข้าวัดทำบุญในคุณแม่ครั้งหนึ่งเขาก็ได้พามาเข้าวัดหนึ่งชื่อวัดพระธรมกาย และก็ได้พบหลวงพ่อประค่อยช่มยบุญให้กับคุณแม่พวกเรา ก, ก็เร่งทําบุญให้กับคุณแม่ทั้งสร้างองค์พระร่วมทําบุญสร้างสาวแก่กับหลวงพ่อและทุกบุญที่จะทําได้ <c oughs> พอเราสมบุญและเปิดเทศปธรรมงหลวงพ่อให้คุณแม่ฟังโดยตลอดตามหลักวิชาแม้จากนั้นดูเหมือนคุณแม่จะไม่รับรู้อะไรนะัก พวกเราก็ยังมีความหวังว่าคุณแม่จะยังมีโอกาสกลับมาทําบุญเองในวันหนึ่งพวกเรานิมนตพระธรรมทายาไปที่ห้องคุณแม่ ร, รับสังฆทานในวันนั้นเหมือนคุณแม่จะมีสติขึ้นมาถวายสังฆทานหลังจากไปคุณจ่ายปลอมคุณแม่กลับไปอีกครั้งพวกเราทําบุญละสดมนทุกวันไม่ได้ขาดเราพยายามพูดเพื่อ นักถึงบุญทุกบุญที่คุณแม่ทำและพวกเราทำให้โดยตลอดจนถึงคืนวันที่2 1กุมภาพันธ์คุณแม่ความดันโลหิตตกมากพวกเราฝ้าคุณแม่และสวดมนต์จนถึงเช้าวันที่22กุมภาพันธ์48คุณแม่ก็ได้จากไปครบาวยได้64ปีล้วนตายหมดโอ้นี่เพื่อนนักเรียนครูไม่ใหญ่ไปแล้วทั้งสองเลย คุณพ่อนี่จะคุ้นเพราะเอาหน้าเก่ามาให้ดูแต่คุณแม่เนี่ยเอาหน้าตอนอายุ64มาให้ดูมันก็แตกต่างไปจากเดิมเหมืนเนะแตกต่างไปจากเดิ ม, มไปนั่งหลับตาดีกว่าล้วนตายหมด ทั้งสองเป็นเพื่อนครูผู้ใหญ่ในเพื่อนนักเรียนเด็กคืนแรกที่คุณแม่เสียผมกลับบ้านแม่จะรู้สึกเศร้าและคิดถึงคุณแม่มากแต่ก็พยายามทําตามหลักวิชาคือพยายามไม่ร้องไห้เอาใบอนุโมทนาและรูปถ่ายแปะไว้ทั่วห้องและพูดถึงบุญต่างตายคุณแม่ฟังจนถึงราวตีหนึ่งในว่าเล่ขึ้นเป็นวันมาคาบูชา ผมได้ติฐานเชิญคุณแม่มาขร่วมงานเวียนเทียนในวัพระธรรมกายตั้งแต่เช้าและเชิญคุณแม่นังสมาธิพร้อมกับหมู่คณะด้วยไปถึงช่วงเวลาเวียนเทียนผมติดฐานเชิญคุณพ่ อ, อคุณแม่ลง ม, มอโรมิธีแต่มาถึงช่วงจุดโคมอทีตผมรู้สึกประหมดความกังวลความเศร้าโศกความทุกข์จากความอาะไยคุณแม่ได้ผมรู้สึกเบาตัวอย่างบอกไม่ถูกครับ ผมคาดหวังว่าคุณแม่คงจะได้ไปสู่สุคติน่าจะเอารูปกานสาวมาให้ดูหน่อยนี่รูปสาวน้อยนี่มันนึกไม่ค่อยออกแต่คุณพ่อเนี่ยนึกได้นตัวผมเองยังเป็นโรคภูมิแพ้อากาศซึ่งรักษาด้วยแผนปัจจุบันอยู่หลายปีก็ไม่หายคุณแม่ยังพาไปรักษาแบบจีนโบราณปนสยเวทในหน่อยดีนาสาวเป็นผู้แนะนา รักษาอยู่หลายปียังได้หายส่วนตัวผมตั้งแต่คุณพ่อเสียก็ศึกษาแต่ทางโลกมุ่งทำงานแต่เพียงอย่างเดียวหลังจากเรียนจบก็ได้เข้ า, ขาทำงานหลายที่เรียนงานอยู่บ่อยครั้งไม่จะได้ตำแหน่งและเงินเดือนดีขึ้นแต่ก็อยู่ได้ไม่นานมีอันตั้งออกแล้วเปลี่ยนงานเรื่อยไปทั้งนั้นที่ผมก็ไม่อยากออกเลยนะครับแต่เป็นเพราะกิจการที่ผมทาด้วย กิจการนั้นอยู่ไม่ยืดสักแห่งเลยนะครับเมื่อครั้งกำลังศึกษาปริญาโทอยู่นั้นผมได้ประสบอุบัติเหตุเอ็นร้อยหวายขาดต้อรับการผ่าตัดและรักษาตัวนานอยู่หลายเดือนขณะ น, นี้ผมและน้องชายได้หันกลับมาศึกษาทางธรรมะมากขึ้นและพยายามกลับมานั่งสมาธิหลังจากเลิกครั้งเป็นนานเกือบ20ปี ผมกล่าวถึงคุณป้าคนที่สี่ผู้มีพระคุณกับครอบครัวผมอย่างสูงหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตคุณป้าเอ็นดูและคอยชื่อเหลือผมและน้องชายมาโดยตลอดแม้กระทั่งวันที่คุณแม่เสียชีวิตจนถึงเสร็จงานศพและลอยอังคารคุณแม่คุณป้าและคุณลงุงเป็นเจ้าของร้านขายยาจับธุรกิจใดก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตึกแถวให้เช่าจะเล่นหุ้นแม้แต่ซื้อหวยก็ถูกเป็นประจำ จนเป็นที่สงสัยว่าเอ๊ะท่านทําบุญอะไรมาท่านทั้งสองเป็นคนกนตันยุติธรรประชนทําบุญละว่ายัพบหลุษอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทําอย่างตั้งใจเย่นทาอาหารเลี้ยงปลาด้วยตัวท่านเองคุณป้ามีน้ําใจระหวังดีกับทุกคนใจเย็นมากคิดการอรอบข้อแต่คุณป้ามักจะทําบุญนําทางกับสังคมและทําบุญตามประเพณีจีนเปส่วนใหญ่ โดยไม่ค่อยสนใจในแก่นของพระศาสนาคําถามบุพกรรมใจทําให้คุณพ่อมีตําแหน่งสูงด้เร็วแต่เงินเดือนไม่มากที่ผมนั่งสมาธิแล้วบอกว่าคุณพ่อมีจุดดําๆที่ปอดเบิกสเสดกับพ่อคุณพ่อติดเชื้อที่ปอดจริงและรักษาได้ไม่ทราบว่ากับผมเห็นจริงหรือผู้ไปตามภาษาเด็กหรืออย่างไรครับที่น้าสาวได้พาผมไปนั่งสมาธิ ทั้งเรื่องพระพุทธเจ้าแล้วคุณพ่อฟื้นขึ้นมาคุยคุณแม่ได้พักหนึ่งจากนั้นก็หลับไปอีกสองวันก่อจะจากไปการนั่งสมาธิดังกล่าวได้ช่วยพ่อให้ฟื้นหรือไม่ครับบุพ ก, กรรมใดทำให้คุณพ่อถึงแก่กรรมก่อนวัยอัควรด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูกครับปัจจุบันคุณพ่ออยู่ที่ใดเป็นอย่างไรบ้างครับมีอะไรฝากมาถึงลูกๆบ้างครับ บุปกรรได้ทำให้คุณนะขอบครคุณนะสาวย้ายศาสนาทั้งๆที่ท่านเป็นผู้พาผมเข้าวัดนั่งสมาธิวัดปากน้ำช่วงที่คุณ พ, อพ่อป่วยและการที่พวกเขาเดื่มเบียร์อย่างเต็มที่โดยไม่ได้นึกถึงสีนห้าที่เคยถือมาเลยเป็นเพราะมีกรรสุราอยู่เก่าหรือเปล่าครับหลังจากทึงคุณแม่และร่างแล้วท่านไปอยู่พบภูมิใดมีข้อความอะไรฝามาถึงลูกๆบ้างครับ บุญสร้างพราและบุญอื่นๆซึ่งให้แม่นุมโมทนาบุญขณะที่ท่านป่วยอยู่และไม่เคยรู้สึกตัวนั้นได้ส่งผลให้แม่สู่สุคติหรือไม่ครับหากกระผมและน้องชายบวชให้แม่ก่อนแม่ตายวิบากจะตามมาเร็วอย่างนี้หรือไม่อันนี้สงสัจะช่วยกัณแม่อยู่ยืนกว่านี้หรือไม่บุพกรรมใดยังทําให้ช่วงหนึ่งกับผมไม่ได้ใส่ใจทําบุญเราก็อยู่นอกบุญญาเขต น, น, นานเกือบ20ปี บรปรกรมในไทยตัวผมไม่นโรคภูมิแพ้ที่รักษา ย, ยากและเส้นเอ็นร้อยหวายขาดครับบรปรกรรมใดไ ท, ทาผมต้องย้ายงานบ่อยเพราะกิจการอยู่ไม่ยืดสักแห่งหนึ่งไปอยู่ที่ไหนกิจการนั้นอยู่ไม่ยืนเลยถ้าผมไม่นตนเหตุจริงผมจะไปสมัครเข้าไปทํางานบริษัทน้ําเมาส์เลยครับคือบริษัทนี้วิจะได้เจ้งไปเลยโอ้โหนี่เสียสละขนาดนี้นะโอ้ บุพกรรมใจทำให้น้องชายต้งเรียนแพทย์ล่งเหินหันจะครอบครัวเป็นเวลานานครับบุญที่น้องชายช่วยรักษาคนยาส่งให้คุณพ่อคุณแม่ได้อานิสงษ์อย่างไรด้วยหรือไม่ครับบุพกรรมใได้ช่วยคุณป้าคนที่4ี่มีลาบและประสบความสำเร็จในธุรกิจต่างๆและที่คุณป้าได้ทำบุญไสบาตามประเพณีและทําทานกับคนทั่วไป แม้ว่าตั้งใจทําแต่ไม่มีความเข้าใจอันที่สองขึ้นบจะมากน้อยเพียงใดครับผมจะช่วยกันป้าเข้าใจธรรมะได้อย่างไรบ้างครับพ่อแม่กระผมและน้องชายได้เคยสร้างบุรื่องมีกมูขน้ะมาอย่างไรครับบนที่กระผมและพระเข้าวพรรษารลสิบเกานามสาธิี่เจ้าน้าที่หลวงปู่มีอันิี่สองอย่างไรครับตอนนี้ผมยังเป็นพระภิกษุ ระหว่างพระพิสุธรรมบุญกระถินกับสาวติชนธรรมน่ะมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรครับ <Yeah. S 1> เอา้าก็ต้องเป็นพระพิสุสิจ๊ะ <Yeah. S 1> จำเรื่องราวากำถามได้ไมั้ยจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเป็นตัววิตาตื่นขึ้นมาท้าวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปา ร, รัมป ร, รากันจ้า พ่อมีตำแหน่งสูงเร็วแต่เงินเดือนไม่มากเพราะในอดีเวลาพ่อทำงานที่ใดเนี่ยพ่อมักจะมีจิตมุติตาไม่ฉาเพื่อนร่วมงานที่เจริญก้าวหน้าอีกทั้งสนับสนุนให้ลูกน้องมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแต่ว่าท่านทำทานตามประเพณีเท่านั้นเน่ย<อ>บุญที่เกิดขึ้นจากการนำทานไม่มาก จึงทำให้ได้เงินเดือนไม่มากแต่การไม่มุทิ่ตาจิตจึงทำให้มีตำแหน่งสูงเร็วขึ้นออคือได้รับความสนับสนุนจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานรเราจะเอาอย่างไรเอาตำแหน่งสูงแล้วเงินเดือนมากด้ว ย, ออ ย, เ, ยเอาสองอย่างนะนึกก็เอาทีละอย่า ง, อ ง, อางตอนเป็นเด็กตัวลูกในหนังสมาเท <c oughs> เห็นจุดดำที่ปอด เวกซเรนแล้วก็ปรากฏว่เาเป็นจริงตามนั้นแต่รักษาได้เพราะตอนนั้นลูกยังเป็นเด็กเนะี่ยจิตใจยังอินโนเซนต์ก่าวกาบุญที่เคยนั่งสมาธิในอดีตชาตินำมาส่งผลจึงทําให้ตัวลูกเห็นได้จริงถูกต้องตามนั้นจ้ะแต่ที่คุณพ่อหายได้เพราะคุณพ่อได้ทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาถวายยารักษาโรคในปัจจุบันน่ะ มาส่งผลจ้ะณสาวที่พาตลูกไปนั่งสมาธิแล้วคุณพ่อฟื้นขึ้นมาคุยด้วยคุณแม่อีกพักหนึ่งแล้วก็หลับไปสองวันก่อนจะจากไปนั้นก็ไม่ได้เกิดจากการนั่งสมาธิแบบตั้งเครื่องพุทธเจ้าอะไรตามที่ลูกได้เล่าให้ฟังนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณพ่อที่เป็นประดุดเปลวเทียนชีวิต ที่สว่างขึ้นบูบสุดท้ายก่อนที่จะดับชคือเหมือนก็หายอย่างนั้นแหละก็ให้เวลามสำหรับเขียนพินัยกรรมแล้วก็ทำใจให้หยุดที่นี่หรือจะสั่งดีอะไรกับครอบครัวไม่ให้สั่งเสียสั่งแต่สิ่งดีๆคุณพ่อเสียชีวิตด้วยมะเร็งโพรงจมูกเพราะกรมเนีดิชาชาติชาติหนึ่งเคยฆ่าคน ไม่ว่าชีวิตเราเนี่ตราบใดยังมีกิเลสเนี่ยอคติสนก็สิงจิตมันก็สามารถทำผิดได้กายวาจาใจได้เดือดผ้าชุบยาพิษไปโปะจมูกคุณอาของท่านคุณอาในชาตินั้นตอนคุณอานอนหลับด้วยสาเหตุที่คุณอาในชาตินั้นจะคุบเอามารดกหมดเมื่อคุณพ่อในชาตินั้นตายแล้ววิบากกรรมนี้แหละจะมาส่งผล อาพาชุกจ ะ, ปะไปโปะลงเมรเนี่ยฆ่าคนเนี่ยตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพระบุตรสุดลอมีวิมานทองของฉันดาวดึงเฟสสามแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานวุ๊บตื่นขึ้นกลางวิมานเลยเป็นเทพประบุตรเลยด้วยบุญที่ทาไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยะสมบัติเพิ่มขึ้น แตงกับฝากวาความระลึกถึงนโมถึงตัวลูกว่าขอขอบคุณและนโมธนาบุญทิรูทิพยไปให้ตอนนี้พ่อมีความสุขมากๆเลยและและและและและไม่บอกจะขอบคุณวณนาสาวย้ายาศาสนาทั้งนี้ที่พาตัวลูกไปวัดปากน้ำนั่งสมาธิในช่วงที่พ่อป่วยนั้นเพราะ น้าสาเป็นพวกศรัทธาจริตแต่ไม่ได้สั่งสมบุญด้านปัญญาเชื่อง่ายแต่แต่ศึกษาธรรมะแบบฉาบฉวยกรา บ, บ, บกานันไดอดีก็เคยนับถือความเชื่อแนว บ, บุญยเขตพระพุทธศาสนามาด้วยมาส่งมาในนาศาแล้วเขอบครัวเป็นดังปัจจุบัน น, บ น, บ น, นนี้ละจ้ะการที่พวกคนเหล่า น, นั้นดื่มเบียร์อย่างเต็มที่โดยไม่นึกถึงว่า สี่ก็ห้าที่ตัวเคยถือมาเลยนั้นแล้วกรรมเขาคนพานในปัจจุบันน่ะเลยพาพาไปหาผิดเราขาดปัญญาพิจารณาเ บ, บียคือยานีเกินไปตายแล้วจะไปอบายนะคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสวยมีวิมานทองของฉันดาวดึงเฟศสาม ตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานเดยมีวิมานใกล้กับวิมานของคุณพ่อคุณพ่อจึงบอกว่าตอนนี้พบคุณแม่แล้ววิมานสองเราติดกันได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาจะนเดียวกับคุณพ่อเราต้งบุญที่ตัวลูกทำให้ด้วยก่อนท่านตายจ้ะนี่ตามเป็นมนุษย์ก็พบกันนานๆจะมีสักครู่นะ แต่ส่วนมากก็ต่างคนต่างมาแต่แล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างไปทีนี้เออมีวิมานของตัวเองนี่มีบุญเนี่ยของตัวเองแต่ถ้าหากบุญน้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแต่าฝ่ายยิิงน้อยกว่าฝ่ายชาฝ่ายชายตาก่อนแต่ทาบุญร่วมกันผูกพันกันปุ๊บก็เกิดบนเตียงของเทพประบุษุลลออแต่ไปเป็นประดุษ บริวารเหมือนบาทบริจาริการแต่ก็เป็นภรรยาหลวงหลวงน้อยๆอย่อ <laughs> พะพอแต่ามาเกิดปรนเตียงอีกปุ๊บก็หลวงถัดไปอะไรเงี้ยก็มีหลวงใหม่อเงี้ยก็อย่างเงี้ยแต่ปุ๊บมากางที่กาวิมานบนเตียงหลวงแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย ตามกำลังแห่งบุญใช่ไหมเจ้าได้รับบุญทุนบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ทําให้ทํานมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านฝากมาบอกว่าท่านมีความสุขมากพอพอก็ได้พบพ่อแล้วและก็ได้รับบุญทุกบุญที่ที่ไปให้จึงฝากนุโมทนาขอบคุณที่อาทิตบุญไปให้ทุกบุญเจ้าหากตัวลูกและน้องชายบวชให้แม่ก่อนท่านตายนั้นก็ช่วยได้ไม่มากนะักเพราะสังหารท่านไปไม่ไหวแล้วรวมทั้งหมดอายุขไขด้วยเจ้า<ะ>คู่นี้แปลกนะ มาเกิดในมนุษย์มาเรียนอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนนักเรียนคณะเดียวกั น, นจบแล้วก็แต่งงานกั น, นมีลูกด้วยกันตายแล้วก็ไปเจอกั น, นเออบนสวรรค์ยันดาวดึงเฟศสามก็หาไมใ่ใช่ง่ายเหมือนกันนี่คู่บุญคู่บารมีกัน ชื่อหนึ่งในชีวิตตัวลูกไม่ได้สายใจทำบุญเลยเราก็อยู่นอกบุญญาเขตเป็นเวลา ย, ยาวนานนั้นกับพระแน่ดีเคยครบคนผ่านที่ได้ชักชวนให้ตัวลูกออกไปนอกบุญญาเขตผังนี้มาส่งผลจะ้ะตัวลูกเป็นโรคภูมิแพ้ที่รักษายากเส้นเอ็นอร้อยหวายขาดเพราะการที่ขาดสัตว์เล็กสัตว์ น, น้าบีมดตอยุงแนดีมาส่งผลเป็นโรคภูมิแพ้ที่รักษายากจ้กับการาแนอดีที่เคยตีขาสนุนัขนี่ จนมันบาดเจ็บขากับเพกด้วยความโกรธกุนิดใจคือตอนนั้นกําลังโกรธกุนิดใจเห็นสุนัขมันเดินมาอยู่ว่างๆไม่รู้ทําไมเลยระบายอารมณ์กับสุนัขเอาไม้ไปตีขามันบาดเจ็บมีบาคมนี่มาส่งผลให้เอ็นอร้อยหวายขาดตัวลูกต้องย้ายงานบ่ายอยู่ทํางานที่ใดก็มาหยุดสักแก๊งหนึ่ง <c oughs> เออหน้าไปอยู่บริษัทน้ําเมาเนี่ย ให้ร่มสลายไปเลยเพราะในดรชาติเวลาทำบุญเนี่ยมักชอบเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆอาจจะทำสาวแก้แบ่อมเอาทำหลังคาดีกว่าทำหลังคาอืเอาลานทำพอจะทำอืเอาองค์พระดีกว่าเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอยากจะทำบุญอย่างนี้ก็เปลี่ยนใจจะทำบุญอย่างนั้น รับปากที่จะทำบุญที่วัดนั่นกับเรียนยายไปทำอีกวัดหนึ่งวัดอื่นแทนแต่ก็ทำดังนั้นเวลาบุญส่งผลจึงต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆแต่เงินไม่ได้ลดลงนะเพราะทำแต่ว่าอุปนิสัยที่เปลี่ยนนี่แหละั้งเปลี่ยนจะเปลี่ยนแล้วสบายใจส่วนกิจการที่อยู่ไม่ยืนนั่นก็เป็นเพราะบุญขเขาจะของกิจการนั้นมีเท่านั้นจะ้ะ ไม่เกี่ยวกับตัวลูกถ้าเกี่ยวกับตัวลูกจะส่งไปบริษัทน้ำมา <laughs> มันไม่เกี่ยวกันแม่เซดายมันน่าจะเกี่ยวเนี่ยถ้าเกี่ยวจะส่งไปเลยเนี่ย <laughs> เอาไปทำงานเนี่ยเอาเดีะพันหนึ่งก็พอ <laughs> จะได้อันนีสน้ส่งไปบริษัทน้ำมาเลิกกิจการ <laughs> ไปค้าน้ํามันแทน <laughs> น้องชายต้องเรียนแพทย์และต้องเหินหา่างจากครอบครัวเป็นเวลา ย, ยาวนานนั้นก็ไม่ได้มีกรรมอะไรเป็นเรื่องเหตุผลปัจจุบันที่ต้องไปศึกษาในสถานที่หา่างจากครอบครัวจะบนที่น้องชายรักษาคนจะส่งให้พ่อแม่ที่ตายแล้วหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ น, น้องชายเนี่ยจะมีจิตช่วยสังเคราะห์ชีวิตเพื่อมนุษย์อย่างไรถ้ามีจิตเป็นกุศลไม่ใช่ทําเพราะเป็นอาชีพคิดว่าจะเอาเงินอย่างเดียว อย่างนี้บุญก็เกิดแต่ถ้าไม่ได้นึกถึงเรื่องบุญอะไรคิดเรื่องไปจะเอาเงินนี่บุญก็ไม่เกิดนี่นะจ๊ะแต่ถ้าหากว่าตั้งใจนุเคราะห์เพื่อ ม, มนุษย์แม้บุญเกิดก็เป็นกุศลอ่อนๆที่ไม่ค่อยจะมีกําลังส่งถึงพ่อแม่เท่าไหร่นะักอย่างกําลังไว้พอคุณป้าคนที่สี่มีลาบและประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานต่างๆเพราะ ท้านำทานมาในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งบลคุณญ่ป็ป้าใสาบาตรตามประเพณีและทำทานใคนทั่วไปยอย่างตั้งใจแต่ไม่เข้าใจตั้งใจแต่ไม่เข้าใจจะมีอันดีสงโดยยอด ก, ก็คือทำให้ร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองในระดับหนึ่งแล้วก็จะได้ในสวนการใสาบาตรก็จะได้ยุวนาสุขพลราปฏิพานแต่ถ้าทำบุญในบุญยเขตด้วยความเข้าใจ ก็จะได้ในสงฆ์อีกหลายเท่าตัวนักจะ้ะถ้าทําด้วยความเข้าใจมันจะปลื้มยิ่งขึ้นพ่อแม่ตัวลูกและน้องชายได้เคยสร้างบริมีกัมูขคณะมาแบบกองสเปียงประเภทไม่สม่ําเสมอจึงทําให้บางชาติก็เจอการบางชาติก็ไม่เจอกันเยืเว้นตัวลูกเสมอกองสเบียงค่อนข้างสม่ำเสมอกับหมู่คณะมาลายชาติแล้วจ้ะบุญที่ตัวลูกและพระคำภาษาเดานสิบ19 นำสาธิชนนั่นเชิญหลวงปู่พระเด็คุณหลวงปู่จะมีอนิสงส์ด้ยอคือจะมีสายบุญติดกับพระเด็คุณหลวงปู่ไปทุกภพทุกชาติจะได้เกิดในร่มเงาเพราะพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะได้เข้าถึงธรรมะภายในเป็นต้นจ้ะตอนนี้ลูกเป็นพระภิกษุเมื่อทําบุญกฐินอนิสงส์จะได้ต่างกันก็ตรงที่ผู้ให้มีศีลมากกว่าคารวะก็จะได้อนิสงส์มากกว่าคารวะเ ท, ท่านั้นและจ้ะ ฉันจะมีลูปสมบัติทรัพสมบัติคงสมบัติเป็นต้นมากกว่าคือดีกว่าของคระวาสจ้ะชาตินี้มาเจอกแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบรรมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานติดตามติดไปด้สิบลีวงบุญวิเศษเกิบรมีโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้ า, าที่กับเป็นเรื่องราวของเคสตดีสั้นๆ ส, ส, สาหรับคืนนี้